Book 2ห้าผ <Pitt. S 2> ประเทศและภาษา d e g e l m a In Yeziki จอห์นมาจาก John, yeah, er. ลอนดอน John y e i Londona ลอนดนอยู่ในประเทศอังกฤษ ลอนดอนเป็นอาขบริเนิเขาพูดภาษาอังกฤษ On г o в о р มารียมาจากมดริด Maria e ma ja Madrid มดริดอยู่ในประเทศสเปน มาดริดเซนักายาวชปานียเธอพูดภาษาสเปนอนณากวรีสเปนสกปีเตอร์และมา่ามาจากเบอร์ลินปีเตอร์อินมาธาอยู่ในประเทศเยอรมัน คุณทั้งสองพูดภาษาเยอรมันใช่ไหม Ali vidva govorita nimsko? ลอนดอนเป็นเมืองหลวง London je glavno mesto. มาดริดและเบอร์ลินก็เป็นเมืองหลวง Madrid ในเบอร์ลิน a ถานที่สเมืองหลวงใหญ่และเสียงดังสถานที่สำค i ญเป็นประเทศฝรั่งเศสอยู่ในทวีปยุโรปฝรั่งเศสอยู a ในทวีปยุโรป ประเทศอียิปต์อยู่ในทวีปแอฟริกาอยิปตาาาอารัประเทศญี่ปุ่นอยู่ในทวีปเอเชี ย, ยปสกา้ส า, า, าอาหรัประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ แ a nah you know, nah n a d a เซนาคายาและเซเวอร์ m e อเมริ r a ประเทศปา nama อยู่ในทวีปอเมริกากลางปา nama เซเ a ฮาคายาและเ j รีดีอเมริกีประเทศบราซิลอยู่ในทวีปอเมริกาใต้บราซิลิอาเซเ a ฮาคายาและยูญีอเมริกี